นี่เชง่หมเลยทางทำกันช่วยกันช่วยกันพวเราเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันให้กระตือกระโลนช่วยกันกาที่ช่วยกันได้ เบื้องต้นเราต้องช่วยจากช่วยตัวเองก่อนจึงคนอื่นจึงจะช่วยได้ต้องมีส่วนร่วมกับการขนส่งเคื่อนย้ายชีวิตเราเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายด้วยกันสิ่ง น, นี้เป็นสิ่งที่ ง อ, อกเกี่ยวกันการเกิดการแจกการเจียกันตายเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากถ้าจะเป็นการถนส่งก็เริ่มต้นจากความหลงความรู้นี่แหละเก้วแรกเวลามันหลงอย่าติดอยู่กับความหลงเหมือนรถติดโคลนติดตม ไปไม่ถึงไหนขนออกไปให้พ่อจ้ากวองหลงมีพลังงานอยู่แล้วช่วยหลงไปมีความรู้สึกมีความเลอกได้เอาใจใส่กระตือร้ น, นกับความหลงช่วยความรู้สึกตัวเป็นพลังงานทำหน้าที่ให้ดี เวลาวันหลงใส่ใจให้รู้สึกตัวอย่าเอาความหลงเป็นเรื่องปัญหาเอาความหลงเป็นเรื่องงานของเราอย่าให้ข้างคาขนส่งไปต้นไปมันหลงก็หลงกายหลงใจ ในกายในใจเป็นเหตุถ้ามาเกิดหลงก็มีตามีหูจมูกลินจิตใจด้วยเป็นส่วนที่ทำให้าาเกิดปัจจัย้าเป็นปัจจัยหูเป็นปัจจัยจมูกลินกายใจเป็นปัจจัยแล้วก็อยู่กับเราเนี่ยกายก็อยู่กับเรา หลงตอนใดรู้ตอนนั้นเห็นกายจะว่ากายเอาความหลงเข้าถึงความรู้ขึ้นฝั่งคือความรู้สึกตัวได้มันสุกควรทุกอย่าไปจมอยู่กับความสุกควาทุกให้เหมือนพ้นจากควาทุก ทุกทางกายทุกทางใจใช่อันเดียวขนส่งคือความรู้สึกตัวไปเนี่ยก็ก้าออกไปอย่างไงก้าไปก้าไปแล้วก็พ้นไปพ้นไปการพ้นแต่ละั้งมันก็มีพลังทอมก็ข้างใดไม่พ้นพลังงานแห่งความหลูดพ้นกก็จะมี ใช่พลังงานนี่ยิงใช่ยังมากถ้าไม่ใช่มันก็น้ อ, ลอยลงเดี๋ยหมดไปได้จนได้ไม่รู้ตรงไหนให้รู้ตรงนั้นไม่เข้าใจตรงใดให้เข้าใจตรงนั้นไม่แจ้งสิ่งไหนให้แจ้งสิงนั้นแล้วก็อยู่ในตัวเราเนี่ย ได้บทเรียนจากตัวเราได้ประสบการณ์จากตัวเรามันหลงดีแล้วจะได้ใส่าย ใ, ให้เกิดความรู้นอกจากเราช่วยเราแล้วจงมีอีกหลายอย่างที่สับสนุนเราอย่างน้อยพวกเรา ก, ก็เป็นวันระยานามิตรเป็นเพื่อนกันเป็นสจหายกัน พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างถ้าีเปรียบเทียบก็เท่ากันก็ไปอยู่เท่าเทียมกันเดินอยู่บนดินหายใจบนอากาศกินอาหารผ่านลงนำค อ, อยืนเดินน่นอนเหมือนกันไม่มีใครที่จะไปเสด็เลิศไปกว่ากันในการใช้ชีวิต หายใจเข้าหายใจออกนั่งนานก็ปวดเมื่อยเดินนานก็ปวดเมื่อยนอนนานก็ปวดเมื่อยยืนนานก็ปวดเมื่อยตั้งแต่ที่มันมีอยู่นี่เรากา็ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยอิริบุตรช่วยเราก็พออยู่ได้ นี่เราก็ต้องร่วมมือกับธรรมชาติจะให้ธรรมชาติช่วยบางทีก็ไม่ทันเวลาก็ต้องลูกเอาสนับสนุนเข้าไปนะพลังงานเราร่วมเสริมเข้าไปมีสติมีสัมชัญญะเงยืนรถโยน มีเกียอหนักเกียรเบาเกียรว่างถ้ามันหนักก็เข้าเกียหนักขึ้นเขาบรรทุกรองห้อยใช้เกียหนักเกียหนึ่งเกียสองถ้ามันพอดีก็ใช้เกลือกลางกลางถ้ามันเบาก็ใช้เกียร์เบาเบา เกีอบสี่เกี่บห้าไปหมายไม่กินน้ำมันในชื่นเปลองชีวิตเราก็เหมือนกันหนักเอาเบาสู้แล้วก็จนมันเป็นอัตโนมัติไม่ต้อง ขวนขวายมันเป็นไปเองนี่แล้วว่าหัดแล้วมันเป็นมันหลงชื่อดายความรู้อยู่ชื่อนั้นมันทุกข์อยู่ที่ไหนความรู้อยู่ชื่อนั้นปัญหาชื่อดายมีปัญญาชื่อนั้นถ้ามันเป็นนะไม่ต้องหัดไม่เหมือนตอนเดิ น, นหัด ชีวิตเราเนี่ ย, ย่างคนขับรถเป็นก็ไม่ต้องหัดอีกจับปงมาลอยขับไปได้เลยเพราะมันเป็นแล้วเราควยช่างมา้ารล้หัดเป็นเ็าวยมันไถเข้าคาดเข้าไถเข้าล่อเข้าเกียน มันก็ทำไม่มากถ้ามันหัดไปแล้วสิปียี่สิปีเอามาใส่ไถใส่ลรอใส่เกียนมันก็ไม่ต้องหัดมันก็ไปข้ามันเองบางตัวมันจำนานไถนาไม่เห็นนิมิตมันก็ไม่ให้หลงล่องไถ มันอาศัยระหัดในทัวมันเหยียบล่องไถมองนิมิตได้ไม่เห็นหญ้าไม่เห็นอะไรมีแต่น้ำในแปลงที่เราทำมันก็ยังไถไปได้สำเร็จไม่เว้นตรงใด บางทีเราก็ไม่ต้องไปสอนมันมันรู้ของมันไปเองือามันถูกตอถูลากไม้ในดินเราอาจจะไม่สัมผัสแต่ตัวมันสัมผัสถ้ามันถูกลากไม้แล้วถ้าดันไปไถจะหักมันก็หยุดไม่ยอมนัน แล้วก็สอนเราอีกทีหนึ่งที่แรกเราสอนมันต่อไปไมันสอนเราเราก็ได้บทเรียนจากมันบางทีเรานั่งเพียนเดินทางไกลเรานั่งล่อนั่งเกียนหลับไปแต่หัวที่มันเทียมเกียนยังไปกันยูจากเดี่ยวอยจากหลบยูจากทางด้วยในควาย ล่อน้องชายคู่นังขนเข้าขึ้นจากนามาใสยุ่งใส่เล่าที่บ้านไม่ต้องนั่งนามันก็พาขนเข้าขึ้นล่อแล้วมันก็เดินออกจากลานที่นามาถึงเล่าค <c oughs> นหนึ่งเฝ้า อ, อยู่เล่าว่มันมาถึงเล่ามันก็ เข้าไปเทียบเล่าโดยไม่มีใครขับมันต้องปลดออกพอตอกเข้าออกจากเล่าแล้วตอกพ่อแล้วขึ้นเล่าแล้วมันก็บอกมันมันก็พารอพาแยนกลับมาถึงหนาอานนั่นอันวัวควายถ้าหัดแล้วมันเป็นได้มันหลบหลีกเองถึงโต้บไม้ถึงหลักถึงโตมันรู้จักหลบ ถ้าบัวมังตัวไม่ต้องไปเขียนไปตีมันมันรู้กลัวเราจะค่อยจะเบาไปทางใดมันรู้จักจะลงคนลงตร ม, มรู้จักอย่าไปตีมันมันจะพยายามเอางานเอาการอยู่เวลามาขึ้นห้วยอย่าไปตีมันเวลาอยู่ในโคลนลอกเกี้ยนตกโคลนไม่ต้องไปตีมัน มันดันไปมันหมดแรงมันหยุดสักหน่อยหายใจเบืบอเบาๆจนตัวสั่นมันเราเหนื่อยเมื่อยล้ามันขอพักสัน่องอย่าไปตีมันมัลูกเวลามันพักได้มันก็ก้มหัวลงมันร่วมกันทั้งสองตัวเพียงพอกันไม่หักไหมเบากว่ากัน เนี่ยก็คือสัตว์ชีวิตเรามันประเสริฐกว่านั้นเรามันหลงมันรู้ไม่ต้องไปสร้างจังว่วะก็ได้เรหัดมาแล้วเรามันทุกข์มันรู้เวลาโมโหมันแกลมันเจ็ บ, ม, บมันตายมันรู้ก็ถึงสภาพที่รู้เนี่ยมันมาสถานอย่างนี้ฝึกได้ปฏิบัติได้อย่างนี้ชีวิตของเราอย่าไปย่อท้ เอาอะไรมาอ้างเอาอะไรมาขวางหน้าไม่มีการที่จะเป็นให้ถึงความโปรดพ่นไม่มีอะไรขวางได้ในทุกกรณีไม่ต้องเอายุเอาเพตเอาไว้เอาอะไรแม้แต่มีกายมีใจมันทุกข์เป็นมันหลงเป็นใช่ได้แต่มันโกรธเป็นก็ใช่ได้บางทีมันไม่โกรธก็มีก็ใช่ได้ ถหลงเป็นโกรธเป็นทุกข์เป็นหิวเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นเจ็บเจ็บตายเป็นมันใช่ได้ทั้งนั้นเป็นวัตถุทําให้เกิดมากผลไม่พานได้เราก็เห็นนักแต่ต้นแล้วเห็นกายแต่ก่อนเห็นกายหลงกายบันี้รูกก้กายก า, กายสวะกายไม่ใช่จัดบุคคลโตอตอนโลเขามันก็พ้นอยู่อย่างนี้มันก็มีผลอยู่นี้ตามหน้าอย่างนี้ อย่าไปรออะไรมันเราไม่เงินบาทเดียวก็พอใจแหค้าไปขายทำขนงไปขายเปขายไม่มีคนตลาดนัดเช้าตลาดเย็นไม่มีคนมามีปัญหาอะไร คนไปดูหลังฟังเพลงอดลาบอดนอนไม่มาตลาดนัดขายของไม่มีคนมาซื้อมีคนมาสองสามคนได้ขายได้เงินสองสามบาทอย่าเอาได้เอาเสียมาเป็นเครื่องวัดจิตใจในเงินสองสามบาทที่ได้มาก็พอใจอย่าเข็ดหลาบ ดูเหตุดูผโอวันนี้เขาฉายหนังมีงานเขาไปเที่ยวงานกันเขานอนกันคนนอนย่อมไม่ใช่อะไรมันหมดแรงเข้ากับไปจินก็จะเคลดยร์ละอ้าววันไหไปเอกตามขนมไป ไม่ขายไม่ได้เท่าไหรหมดเลยได้เงินห้าร้อยบาทก็พอใจเท่าดเท่ากันได้เงินสองบาทก็พอใจเหมือนกันได้เงินห้าร้อยบาทก็พอใจเหมือนกันไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจอันนี้แม่ค้าอาชีพไม่เสร็จดแม่ลา่ก็รู้จักฉลาดที่ขายไม่ได้เพราะอะไรที่ขายได้เพราะอะไร นวนถูกเรามีทุกข์วางใจเห็นวันทุกข์ไม่ต้องปรุงแต่งใจยิ่งมั่นคงยิ่งมีสมาธิมากามโกดยิ่งมีสมาธิมากในความมั่นใจมากไม่หวั่นไหว นี่คือเราเมื่อเราฝึกดีแล้วไม่ใช่เลยมากมันก็พร้อมมันเป็นแล้วมันเป็นอัตโนมัติเหมือนรถเอาทําเป็นอัตโนมัติบางที่ไม่มีเกียร์หนักเกียร์เบาคนไปใช่มันมันใช่ของมันเองอย่างรถหลวงพ่อน่ะไม่ต้องมีค่าไม่ต้องมี เรียอะไรมันใช่ของมันเดงเวลามันขึ้นเขามันก็มันก็หลงของมันเดงเวลามันขึ้นได้แล้วมันก็บางของมันแดงอันนี้เลยว่าพัฒนาชีวิตเราก็เหมือนกันล่ะมันจึงเหนือทุกอย่างเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายมันเพราะเหตุนี้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เมื่อที่อย่าทอดทุเลรื่องนี้รับผไปชอบเร่งนี้ช่วยตัวเองดร่งนี้แล้วก็มีคำสอนประกาศท่าทายปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกตดกาดูยิ่งเห็นจริงในถรมที่ควรรู้ควเห็นประเสริฐ เปลี่ยนร่วงพ้นภาวะเดิมตู้แช้งสิ่งที่คว่มหงายขึ้นแล้วสิ่งที่ปิดเปิดออกแล้วจิ่ที่มืดมีแสงสว่างสองได้แล้วเวลาหลงทางมีคนบอกมีผู้บอกปฏิบัติได้ เวลามันลงไม่หลงได้อยู่นีว่าปฏิบัติได้ใครเป็นคนบอกพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ให้ผลได้อยู่ปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่รู้ที่เห็นได้ตามทุกความแแจการกระทาของผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ไม่ผ่านมันผ่านอยู่น้อยก็ผ่านความหลงไปก้าวไปสองก้าสามก้าผ่านเวทนาเห็นเวทนาย่างขาวสดคือเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นรูปเห็นนามไม่สงสยัยแน่นอนที่สุดคือรูปธรรมนามธรรมโต๊ดาม แน่นอนที่สุดคือนามาลูกรูปนามมันเกิดมาเป็นมหาภูตรูปพร้อมแล้วมหาภูตรูปมันมีอะไรอยู่นี่ไม่ต้องไปหาที่ใดมันหลงเปลี่ยนได้มันละชั่วบรรละได้ ทำดีมันทำได้นี่ลูกทำลูกนามถ้านามลูกมันเกิดจากอาจต น, นะาจ่บนลูกนามนี้เหมือนแผ่นดินมันมีวัตถุเกิดอยู่นี้ลูกนามมันมีเหมือนแบบแผ่นดินนามว่าลูกมันเกิดอยู่บนแผ่นดินเป็นพวกเป็นชาติเพราะมันมีเหตุปัจจัยมีตามีหู อาหูจมูกดืน้นใจมันอยู่บนลูกบนนามนี้แล้วมันก็แยกกันไม่ออกระหว่างรูกนามแต่นามลูกมันแยกได้ทุกของลูกไม่ใช่ทุกของนามมันแยกได้ทุกของนามไมเป็นเช่นเรื่อ ง, องทุกของลูก แต่ถ้ารู้ของโลกไม่ใช่ทุกของนามแล้วมันก็หมดไปรลอยเป็นนิสระคันแล้วอย่างไม่ต้องออกกายไม่เป็นตัวเป็นตน้นไม่ต้องเอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตน้นไม่ต้องออกจิตมาเป็นตัวเป็นตนหนัวโศกหนัทุกข์ได้นามรูปมันเช่นพบเช่นชาติมันนามรูปเรียกว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือ ปีนาทีสุดท้ายให้ได้ก่อนใจจะขาดแต่ น, นั่นก็ชาเกินไปดับตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือต่าพวกชาติที่เกิดอยู่บนานามารูปเนี่ยตัวเจ้าดับได้เมื่ออายุสามสิปีต่อจากนั่นก็กระตือร้นในการบอกการสอนคนไปที่ใด ประกาศตามทางสีแง่แผงห้าแผงอโรขยาปลมาลาภาควาไม่มีโลกเป็นลาภประเสริญใคยทุกพ้นทุกได้ใครโกรธพ้นโกรธได้ใครเกิดใคยแก่เครเจ็บใครตายพ้นได้ต้องทําอย่างนี้ต้องทำหนางนี้ กรรมาฐานเป็นตเหตุจำแนกไปกรรมเป็นที่จำแนกสัตว์เราจึงมาเริ่มต้นกันแล้วก็พร้อมแล้วเราก็เห็นอยู่มีอยู่กายก็ไม่อยู่ใจก็ไม่อยู่สติก็ไม่อยู่มันหลงก็ไม่อยู่มันลูกก็ไม่อยู่มันทุกข์ก็ไม่อยู่ ความทุกข์ความทุกข์เี่ยทาให้เกิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ปุโุชนเอาความทุกข์มามาเป็นสิ่งทอเแท้อ่อนเอไปไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์อันนั้นเป็นคนไม่รู้จักเปลี่ยนหลงเป็นลูก ถ้าหลงเป็นหลงหรือว่าคนถ้าทุกข์เป็นทุกข์หรือว่าคนถ้าโกรธเป็นโกรธหรือว่าคนพวกคนเนี่ยไปสู่บายไปสู่ทุกข์ทุกขติเท่ากับขนโคไปสู่สุขติเท่ากับเขาโคถ้าเป็นคนนะมนุษย์ ไปสู่ทุกติเท่ากับ ข, ขนของโขไปสู่ทุกกติเท่ากับเขาของโขน้อยนิดเดียวเพราะมนุษย์มันสูงขึ้นมาใจมันสูงมันก็มีต่างตรงนี้กันเรียกว่ า, าเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจากคนมาเป็นมนุษย์จนเป็นพระประเสริฐไม่มีเลยทุกกติ สุกติในการมีชีวิตได้ชีวิตมาเพื่อสุกติหนดการพ้นไปจากการเกิดเจ็บเจ็บตายมันอยู่ที่ไหนก็าจะเป็นคนหรือแบบนนุดดูจากการกระทำดูจากที่มันแสดงออกในเราเนะี้ก็เป็นคน นักเข้านักเข้าจนกลายเป็นต่ําลงไปเป็นเปรบเป็สุรร่งกายเป็นสัตว์นรกจะหาความเป็นมนุษย์ได้ยากมากเมืดบอกไปเลยไม่เจริญอบายอะแปลว่าไม่บา ย, บาบายคือไม่เจริญไม่สบายไม่เจริญเรียกว่าอับาย ทำดีได้ง่ายยากทำชั่วอะไรง่ายพวกอบายทั้งหลายแต่คนโกรธจะไปเอาเหตุและผลกับคนโกรธเขาไม่เอาเขาโก็เขาก็เฉบ่ยวิบากของเขาอารมณ์โกรธมันปิดบังทุกอย่างไม่มองไม่เห็นจำกันก็ไปได้หัวเหมียโกรกันจำกันได้เห็นหน้ากันเป็นหมูเป็นหมา มันไม่มีภูมิจนเป็นขวามเจริญมันบอดเหมือนข้าปลูกมันบอดเอาไปเพาะไม่เกิดเหมือนกับเขาลิขิ์พันธุ์พืชต่ตางๆเอาไปเพาะไปปลูกไม่เกิดไม่ได้ผลเอาลิขิ์ ก็มีกเกษตรศาสตร์เอาเหลือญจบพันพืชี๋ยวนี้ข้าวไทยกำลังไปเป็นลิขิตของชาติอื่นคนไทยไม่รู้จักเก็บพันพืชเหมือนคนโบราณอะไรก็ไม่ต้องเก็บไปชื่อเอาตรงต่อปลูกแตงนาะเกือบสิบ ป, ปีไม่ได้กินเลยลงทุนปลูกแตง เมื่อเปิดปา่าใหม่ๆก่ผู้ใหญ่สวนมาไถให้เปิดปา่าใหม่ลงทุนซื้อเม็ดแตงเม็ดปักทองมาเป็นหลายพันบาทตั้งท่าว่วจะเอารถเข็นเอาจ้างคนปลูกกะว่าจะเรียกบ้านนัานบ้านนี่มาเก็บแตงเก็บปักทอง ก็ปูเราไม่มีชักลูเลยนะ <c oughs> ปักทองก็ไม่ออกเกลือยาวเป็นพุ่มแตงก็งอแแห่ไม่ไม่ได้กินเลยร้องอีกก็ไม่ได้กินร้องอีกก็ไม่ได้กินไปขอชาวบ้านว่าให้ทาําไงปลกแตงได้กินก็เนี่ยเดี๋ยวได้ขายขอพันชักหน่อย แต่ขอพันแตงกับแม่พุธส้างวัดออปูกขาทองมาปลูกไม่ก็ไม่ได้กินเองใครปูกแตงปูกฝักทองได้กินเอาหาฝักทองเหมือนโบราณไม่ได้แล้วตกวันนดเพราะอะไรเพราะคนไม่รู้จักเก็บพืชพันไม่เหมือนก่อนโบราณข้าโพวกก็ปลูกมาใน้กินมนละก็ก็ปลูกมาใน้กินเดียวนันวิจานั่งรถไปซื้อเอาโน้น อำเภอชนบทต้มนมะละกอมะละโภยทีว่าจะเรียกชาวบ้านมาเจ็บมะละกอใครจ้างคนไปทำารจะต้องบอกประกาศมาเจ็บที่นี่ไม่ได้ยินเลยมะละกอก็ปลูมมกไม่ไ้ยินผักทองก็ปลูมมกไว่ได้ยินแตงไทยแตงเลาปลูมมกไม่ได้ยินเลย มันเป็นพาะ อ, อะไรเพราะเขาฤกษ์จิตผัานมันต้องไปซื้อเม็ดจากเขาต่อไปข้าวไม่รู้จกเก็บพืชพันข้าวเหมือนกดบอลลารเดี๋ยวนี้ข้าวเป็นลฤกษ์จิ์ของบริษัท ต, ต่อไปเม็ดข้าวเม็ดแดงเม็ดละร้อยบาทเราทำไงฮะ <c oughs> ชาวเจษตรกรเป็นเศรษฐีเกาจะขายเม็เข้าวปลูกข้าวพันเม็ดละร้อยบาทต้องจำเป็นต้องซื้อมาเพราะอะไรมาสจมน้ำหน้ามันคนมันชาวนา้าไร่ไม่รู้จักพืชผันไม่เหมือนกับโบรานณโวรว า, านถามไม่โจ้พี่สาวรองพ่อเวลาปลูกข้าวโพด เลือกพันยังไงเวลาโปรกแตงเขาเลือกพันยังไงเวลาโปรเข้าเขาเลือกพันยังไงเวลาโปรเข้าโพดต้นใดที่มันสูงจะโลดจะลดจะลดขึ้นไปใหญ่กว่าเขาเอาเม็ดเนี่ยหล้มนี้มีสามเม็ดต้นใดที่มันขึ้นสูงกว่าเขาสูงกว่าเขาสูงกว่ามันก็สูงกว่าเขาเวลามันออกฝัก แม่อะไรเอาเอาไวขา้ข้าโพดหอ่หอห่อฝักไวห่อฝักไวเลือกไว้ก่อนเวลาต้นในมันออกต้นสสงออกฝักแม่อย่าเอาเปลือกเขา้าเปลือกกั็นใบมันละ่ะหอ่อห่อต้นเขา้าโพดไว้จนเพียงพอเอาต้นงามๆโสงๆฝักใหญ่ ถ้าเราไปถักข้าวโพด ท, ที่มันแก่แล้วขนหางมันแก่เห็นต้นใดทีห่หางแก่ถ้าเห็นเปลือกเห็นใบมันห่ออยู่เอาไม่ได้บอกว่าแม่บอกว่าข้าวโพดเก็บไปทำพันแล้วก็เก็บมาว่าปล่อยมันแห้งอยู่กับต้นพอแห้งมาก็เก็บมามาเขีนไว้หิ่งรู้จักหิ่งไหมคนทุกวนะันนี้ ที่่คือลงอาหารมีวรขวานไฟแขนว่าให้ควรนไฟอบลงไปอลงไปมัแตงปักมักแตงก็เหมือนกันเวลามันออกนอใหม่ๆหม่เถาใดมันจะวิ่งก่อนเขาไปชนุดๆนหลุดคอไม่เงยไม่เงยคอมันจะวิ่งไปมุดไปมุดไปว้ายาวที่สุด แล้วก็ดูแม่จะต้องดูเราก็เคยหัดถ้ามันออกลูกเอาโพดใงไโงปกไวห้ามกินถ้าอาจจะเอาแตงเถาใดอะไรที่หลมไหนที่มันยาวกว่าหมอออกวิ่งเร็วกว่าหมอใหญ่โตกว่าเขาออกลูกห้ามปิดห้ามเจ็บเอา ทอดใหม่ปกเอาไว้จนเพียงพอข้าวเวลาเราเกี่ยวข้าวงามเป็นกัมมันไม่เปียงไม่ไม่ไปเสมอกันระหว่างเม็ดข้าวหลวงข้าวมันจะเมยบางหลวงอันยาวกว่าเขาแล้วลำใหญ่เวลาลงมาเป็นฟ้อนเอาวางไว้เวลาจะคัดพันข้าวต้องถอดเอาเอาลวงยา ว, ยาว หูอันรวงยาวๆลำแข็งๆดึงออกดึงออกดึงออกเดึงออกเดึงออกเอามัดนี่หาไม่มีแล้วหมดแล้วอันอื่นไม่เอาเอ า, เอารวงยาวๆแมนบอลพวกผมน้องตาาเป็นชาวนาะร้อยเเซน์จนพอไรสักเข้าปลูกห่อหนึ่งปิ๊บหนึ่งแล้วก็ไปวางไว้ที่อื่น รักษาดีอยากให้เม็ดข้าวอ็นมาป่ะปนนะแล้วก็เอาเม็ดออกหอ่อเชยเป็นเป็นห่อข้าวแต่ก่อนเราฟางหอ่อเดี๋ยวนี้เขามีถุงปุ๋ยห่อว่าเวลาหวานเวลาหวานวเราไปหวานในแปลงที่ดินดีดี หวานเป็นข้าในแปลงดินดีดใส่ใจสักหน่อยอาจจะเดือนสามบอกใหม่สามค่ําอาปุ๋ยไปใส่ไว้ในแปลงที่เราจะหวานข้าวพันเขาเนาแล้วก็หวานลงไปตรงนั้นเวลาไปปักดำเอามัดข้าที่เราได้จากแปลงที่เราหวานไปข้าปลูกปิ๊บอย่างนี้นไปปักดำตรงที่ แลกมันดีดีแล้วใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเข้าไปแล้วให้ดูแลดีๆมันจะเข้าปิ๊บหนึ่งจะได้เข้ารอยปิ๊บนานจะเอามาเจ็บเป็นข้าวผันตีต่อไปแล้วก็ดำที่ลงไปเวลาเราเกี่ยวเราเกี่ยวมาก็อย่าไปวางโผนหมูเอา่ากองไว้ตัางหักเพื่อเอาเข้าปุ๋ยสิบยี่สิบปิ๊บได้เลย แต่ก่อนนะ้เราเป็นนักชาวนาร0อยเปอเนคัดข้าวพันธนะ่เยี่ยมยอดที่สุดเอเราจินก็แซ่บดีหมอมดีอ่อนดีไม่ปนไม่กลายพันธ์นี่คนมบราณแล้เดี๋ยวนี้หมดปัญญาแล้วคนไทยหมาจินความคิดหมดเลย <c oughs> <c oughs> อะไรก็เจ็บไม่เป็นต่อไปใจชื่อเม็ดข้าวมาปลูกเม็ดละร้อยบาทนะอาจารย์ยังไงว่าลอันนี้ก็มากัน การเพียนพยายามนี่ยสูญเสียไปเลยมันหลงเรามันโปนแล้วที่ว่าเข้าโปนแล้วเข้ากายพันแล้วมันหลงก็งไม่คัดมันลูกขึ้นมามันก็ศูญพันศ์สูญพันธ์ก็อ้ยเป็นผู้มั่นต่ําเป็นเปรตเป็นสุลกายไปเลยความเป็นมุติหายิ่งยากบอดไปเลยบอดไปเลยหนะลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนไปเลยทุกเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือน มีกา ย, ยี่ก็ทุกมีเจยี่ก็ทุกจิตก็ทุกใจก็ทุก ก, ท ก, กายก็ทุกตั้งแต่เนี่ยกายสบากายไปเวฒนาจากไว้พัฒนาเลือกอย่เนี้ยจิตส่าจิตเลือกไปถ้า น, นั้นมันกายพันเป็นเข้าหมั่นแยงตีงานบอกพอทะยกุกรู้จะเข้าหมั่นแยงไหม <laughs> จะเป็นข้าวเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นข้าวเหนียวก็ไม่ใช่ เป็นเป็นอะไรมันก็ไม่รู้มันกลายพันธุมามันเกิดอยู่ด้วยกันน่ะมันกเกิดอยู่ในเม็ดข้าวกอข้าวเดียวกันนะทําหลายปีไปมันกลายพันธุภาษาชาวนาเลยว่าเข่าหมายายงบางวันเข่าเจ้าบ่างวันเข่าเหนียวมากับบ่ออ่อนใสคิวลิ้วใช่ไหมไปซื้อข้าวอ่อนเป็นไหมชาวนาะชาวบ้านนะข้าวอ่อนเขาเรื่องไง เอาดูป้ายเลยข้าวอ่อนไปขยันว่าแบบเออข้าวอ่อนเลยเนี่ยไม่ใช่ไปดูเม็ดบันรออยู่ในกระสอบเขาก็ตักขึ้นมาดูถ้าเม็ดใสๆอ่ะเขาจะโคจราว่าข้าวอ่อนอย่าไปเชื่อเลยข้าวอ่อนเราต้องมาดูเม็ดน่อยเศร้าๆฝ้าฝ้าไม่ใสนะดูเบิดเบิดเขาก็ไม่เข้าใส่นะเขาแบบเมื่อๆอ่ะนซื้อมาอ่อนที่สุดเลย นี่เราไปดูอะไรดูป้ายขขาโฆษณาเขาโฆษณาเรื่องไหนเชื่อทั้งนั้นเลยก็บอกว่านี่คือสุขเอ้าหลงไปเขาอยู่ว่าไหนก็เหมือนหมังไทยขึ้นป้ายสะไล่ไปคิดเมฆเบียร์ต่สิง <laughs> ใช่ไหมฮะแบบที่ดีที่สดุดขึ้นป้ายไป้ว เอาทาท่าคนอื่นแบบที่หัวละของตาวัดปาโศโตน่าผลดีที่สุดไม่มีใครเชื่อหรอเพราะไม่เลยขึ้นสไล่เหันเขานั่งอยู่เนี่ยหัวใจเนี่ยพูดตอนเช้าเนี่ยตอนเย็ น, นยมันก็หายไปหายไปมันไม่เพียงพอน้ำนอ้อยย่อมแพร่ไฟขอเรียกรองให้พวกเรามาช่วยกันรับผิดชอบ มนุษย์ทั้งหลายช่วยกันะบอกกอนนี่คือความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันเป็นมิตรกันที่ใดไม่แก่พ้นจากความแก่ลายที่ใดไมีความเจ็บความตายพ้นจากความตายลายคือพูดกันอย่างไหนเรามาได้โขสดาอะไรดอกก็ไม่ได้มีอะไรมีเท่านี้ นะจึงหาเน่วร่วมก็จามีที่ไว้ให้ยังไม่มีใครมาเพราะมีไม่มากแค่แค่นีเองร่วมกันช่วยกันพวกเรามาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เราจะช่วยคนอื่นได้จนไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหา เป็นปัญญาในชีวิตของเราอย่างนี้อย่ามาเชื่อหลงตาให้มีสติปัญญาฟังเราไปทําดูเชื่อกันกระทําของเราเวลาเราหลงมันรู้ึ้นมาดีไหมเวลามาโกรธเปลี่ยนง้งงโกรธ เ, เ, เ, เ, เป็นความไม่โกรธดีไหมเลาวันทุกเปลี่ยนงบทุกเป็นความไม่ทุก จนไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นผู้แก่ไม่เป็นผู้เจ็บไม่เป็นผู้ตายก็คุ้มค่าเราที่เราได้ชาติชีวิตของเราเกิดมาแล้วจะเย็นบ่จะเย็นไหมอ๋อสามขวัญเจเวลาเอาไปเข